บุกทูสี่สิบสามโซรกตีตีที่สวนสัว์สวนสัตวอ์วตอยู่ที่นั่น вот ตายีราฟอยู่ตรงนั้น вот там Жирафы ยวอทามรามีอยู่ที่ไหน где д е ไหนที д ไหนที่ไช้าง่ยู่ที่ไหน слоны где слоны งูอยู่ที่ไหนซ <зм> <зм> ิงโตอยู่ที่ไหนดิฉันมีกล้องถ่ายรูป меня есть ดิฉันมีกล้องถ่ายวิดีโอด้วย У меня есть ดิฉันจะหาแบตเตอรี่ได้ที่ไหน Где б а а นกเพนกวินอยู่ที่ไหน пингвины? จิงโจอยู่ที่ไหน Где Кенгуру г д р у แอยู่ที่ไหน Где Носороги нос нос г д ห้องน้ําอยู่ที่ไหน Где Здесь Туалет Где Здесь т у а มีร้านกาแฟอยู่ตรงนั้น Там คาเฟทัมาเฟมีร้านอาหารอยู่ตรงนั้น Там ริสตอรัิสตอรอูดอยู่ที่ไหนกดวูก๊วิร์บลูดกอลิลลาและม้าลายอยู่ที่ไหน Где г о р и л ы и зебры? Где гориллы и зебры? เสือและจระเข้อยู่ที่ไหน Где тигры и крокодилы? Где тигры и крокодилы?